ไ ด, ได้มาฟังตั้งแต่แรกเลยหรือ เ, เปล่าเนี่ยเปล่าค่ะเพิ่งมาค่ะอ๋อเพิ่งมาเมื่อกี้เหรอใช่ค่ะอ๋อเลยไม่ได้รู้เรื่องตั้งแต่แรกเดี๋ยวใครที่มาฟังตั้งแต่วันแรกโอ้เมื่อกี้เขาก็บอกคุณออกบอกว่าเข้าใจหมดแล้วทุกคนเดีช่วยอธิบายให้โยมเขาเข้าใจให้โยมเขาเพิ่งมา <c oughs> เดี๋ยวใครหา อ, อาสาสมัครก้าหาญ ช, ชายช่วยอธิบายตั้งแต่ทุกวันมันจะถึงวันเนี้ย ให้เห็นว่าใจกับใจเป็นธรรมชาติแท้ๆที่ไม่พุงแต่งกับขันห้าที่เป็นสังขารพุ่งแต่งอ่ะมันมันเป็นคนละตัวกันอย่างไรแล้วจะพยจะพบใจได้แล้วจะปล่อยวางสังขารได้เอาขออาสาสมัครยกมือเอาขออาสาสมัครเร็วหนึ่งสองสามติ๊กตอกติ๊ตอกใครใครยกมือออาเอาเอาเาเดี๋ยวจะดูเรียคนอธิบาย อ่าฟังคนอธิบายนะเดี๋ยวจะดูที่ว่าอธิบายผิดอธิบายถูกฟังคนอธิบายอ่าแล้วพวกเราช่วยช่วยกันฟังคนอธิบายนะว่าผิดถูกอย่างไรเดี๋ยวให้คะแนนนะไม่ทันได้ยกมือนะฮะว่าจะอธิบาย <c oughs> เออถ้าเปรียบเทียบกระจกกับสิ่งที่อยู่ในกระจกนะ สิ่งที่อยู่ในกระจกเหมือนที่หลวงตาทีบายเมื่อคืนนะคะว่ากระจกเนี่ยมันไม่มีความชอบไม่มีความช่างในกระจกอะไรที่ผ่านหรือปรากฏอยู่ในเงาของกระจกนั่นคือสังขารคือความรู้สึกื่อคิดที่มีกิริยาอาการได้จะเป็นความสว่างความมืดความร้อนความอะไรก็แล้วแต่ที่เคลื่อนไหวกระจก เขาก็ยังคงส่องเงาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากระจกนั้นก็คือใจของเราคือตัวรู้ของเราที่มีมาตั้งแต่เดิมแต่ฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่สิ่งที่ผ่านกระจกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับไปตามสภาวะของของเขา้อฮะจะเป็นอารมณ์ความกลัวความเครียดความกังวลหรืออะไรก็ตามมันก็จะเป็นแค่งเงาที่ผ่านกระจก ถ้าเรานั่งอยู่ริมน้ําสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผักตบชวาะะหรือว่าเรือสําราญหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานั่งจ้องอยู่สักจุดหนึ่งอยู่ริมน้ําเราจะเห็นเ้าผ่านไปผ่านมาจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่เรือเล็กเรือใหญ่จะเป็นน้ําเฉยเฉยหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในในในจีบเขาเรียกว่าสังขารน่ะ น, นะคะนละที่นี้ก็คือขันห้าเพื่อความกลัวทั้งหลายหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ เกิดดดับดแต่มีตัวรู้เข้าไปรับรู้แต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้สันสังเกตเราก็เลยกลายเป็นเขาไปเลยนะฮะเราก็เลยกลายเป็นคนขี้กังวลขี้กลัวขี้โกรธขี้สารพัดนะฮะแต่เมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าเขาก็เป็นไปตามสภาวะของเขาเองไม่ขึ้นอยู่กับเราชอบหรือไม่ชอบเพราะกระจกไม่มีชอบไม่มีชงังนะฮะมีความเป็นกลาง ไม่มีพักไม่มีพวกใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขออธิบายแค่นี้พอพอเข้าใจไหมฮะได้ได้ไหมคะก็ก็แม่ชีก็อาศัยพอไม่มตาของหลวงตานั่นแหละค่ะเอาไม่ให้โยมที่มาใหม่สิว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเข้าใจมันมีไมต้องสองตัวเนี่ยเอาให้แม่ชีตัวหนึ่งแล้วให้โยมก็ตัวหนึ่งเอ า, เอาที่แม่ชีก็เดี๋ยวก่อนเดีก่อนพวกเราให้กันในแม่ชีก่อน ที่เมธีอธิบายมาเป็นยังไงอ้าวยกสองเมโป้แล้วมีคนยกสองเมโปโอเคอ่าอ้าถูกต้องอถูกต้องอ่าแล้วที่ฟังเข้าใจเขาไหมหรือไม่เข้าใจยังไงนะที่ยงลองลองบอกสิเข้าใจค่ะยังไงก็เข้าใจว่าของพราสังขารก็คือมันมันปรุงตามแบบคือตามเือหนูเป็นคนที่พูดภาษาแบบ แบบนั้นไม่ค่อยเป็นนะคะพ่อแบบรูปข <c oughs> องความไม่ถกัคือก็คือก็คงจะสังหารก็เป็นของที่ตามมาจากจากสิทธิ์ที่เหมือนมันขางความที่ทีหนูพอจะอธิบายได้นะคะหนูพ่อพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็คือแบบมันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถ้าเราตามไม่ทันอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะกลายไปเป็นเหมือนมันกึกขึ้น น, นิดนึงอะ่ะเหมือนมีไรชี้เข้ามา น, นิดนึงแล้วถ้าเราก็ตามไม่ทันคือก็จะตามไปต่อ มันก็จะกลายไปเป็นแบบเหมือนมีผลเหมือนคิดว่าเอ๊ะคนนี้แล้วก็เป็นยังไงเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าสติเราไม่ทันเราก็จะไปตามตามต่อสังขารมันก็จะปรุงไปตามเหมือนกับตามกรรมตามอะไรสาภาพแวดล้อมตรงนั้นนะคะทําให้เราเหมือนไหลไหลไหลอะต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า ต, ต, ต, ตั้งตั้งต้นสติมันทันอย่างเงี้ยมันก็จะดับไปตั้งแต่อันตั้งแต่แรกที่มันขึ้นมาของหนูก็คือ หนูไม่ทันมันตั้งแต่แรกเลยค่ะอันนี้หนูเข้าใจถูกหรือปเปล่าคะว่าสังขารมันคืออันที่ตามตามตา ม, ตามมาที่มันทิ้งไว้แบบข้างหลังอย่างนั้นนะคะถูกหรือเป่าคะไม่ชีว่าที่โยมพูดอธิบายนี่ถูกไหมได้ฟังอยู่ไหมได้ฟัง่อาเ๋ลองลองตอบไปได้ไหมโยมอธิบายเมื่อกี้โยมเขาเข้าใจถูกไหม เขาเข้าใจถูกในฝั่งที่ยังทุกอยู่ใช่ะในฝั่งที่ยังมีตัวเราอยู่ถามว่าถูกไม่ถูกแต่ยังเป็นในฝั่งของยังมีตัวเราเป็นผู้ทุกอยู่เป็นผู้ยึดอยู่เป็นผู้ปรุงอยู่ใช่ะแต่ก็มีฝั่งถูกอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่ไม่มีผู้ปรุงค่ะหมคะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งสองฝั่งก็คือเหมือนกับว่าเอเราทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในห้องแลบ แล้วเราก็ใส่สารเคมีลงไปในหลอดทดลองแต่เมื่อเราใส่สารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปในหลอดทดลองแล้วมันเกิดปฏิกิยาการเกิดขึ้นเราจะมีความรู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเรามีความคิดและความเห็นลงไปในในผลการทดลองนั้นเสมอทั้งๆ ท, ที่ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนใดทดลองมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เช่นผสมกันแล้วเป็นสีย้มพูแต่เราไม่ชอบสียมพูเราอยากได้สีส้มเราก็จะเริ่มทุกข์ละเราก็ทําทุกครั้งทุกครั้งเพื่อมันเป็นสีส้มเหมือนดัง ที่เราต้องการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราลองกลับมาดูว่าถ้าเราเคารพในปฏิกิยาของสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราดูด้วยความเคารพด้วยการสังเกตเหมือนที่หลวงตาเท่านเมตตาสอนเรารู้ซื่อๆนะคะรู้ตามความเป็นจริงที่เขาเป็นมันเป็นปฏิกิยาเฉยๆไม่ว่าจะเป็นความเกิดขึ้นหรือความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะดับไปตามเรื่องตามราวของเขานะคะ พอพอได้ไหมคะท่านอาจารยก็เหมือนกับเว่าสมมติอย่างหนูเน่ยจะติดเยอะมากเลยทั้งปามาตครูบาอาจารย์ทั้งเรื่องนูน้นเรื่องนี้ตไปหมดเลยเวลาเวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยหนูมีความสงสัยมานานมากแล้วคืออย่างเรื่องติดปามาตครูบาอาจารย์เนี้ยหลวงพ่อคือมันขึ้นปุ๊บสมัยก่อนหนูจะเป็นกังวลมากว่าทำไมหนูช่างเลวร้ายขนาดนี้รู้เสร็จแล้วหลังๆเนี้ยหนูก็เลยจะปล่อยให้มันขึ้นไปแล้วหนูก็คิดว่า กรรมของมันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยเพราแต่มันก็ยังมีผลกระทบกับใจเราอยู่นิดหน่อยเพราะแบบเออทาไมมันถึงเป็นอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยหนูจะต้องทํำยังไงคะ่ะคือบางทีเราก็ปล่อยดูตามนะเพราะแต่ว่ามันยากที่จะแบบก็ด้วยสติปัญญาของหนูก็ไม่ค่อยจะดีขนาดที่แบบจะรู้ได้ว่าเออดูแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับนะจ๊ะอย่างเงี้ยมันทําหนูทั้งทําไม่ได้ขนาดนั้นนะคะพอปล่อยดูไปนิดหนึ่งก็คือมันก็จะหลงไปเลยอย่างนี้บ้างแล้วก็คือมันจะแบบ กหนูทำไม่ได้ขนาดที่ว่าแบบ แ, แบบเป็นกลางๆไม่ยินดีรู้แล้วก็ละทิ้งไปทันทีอย่างเงี้ยปุ๊ดยังไม่ทำไม่ค่อยได้อ่ะค่ะาใครใครจะช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มอ่ะจะอธิบายให้เยอะเข้าก็จอยังไงอ้าปุ๊กอ่าดูนะเอาสิอ่ะเดี๋ยว ทุกคนเนี่ยมาฟังตั้งแต่ว่าแรก้วถือว่าทุกคนอธิบายได้หมดเดี๋ยวต้องช่วยกันะจะดูที้คนอธิบายตกมาตายเปล่าเอาเยังไงก็ได้ให้ใ ห, ให้เขาเข้าใจเหรอคะาาอาจารย์ใ ห, ให้ให้อโยมเขาเข้าใจเมื่อกี้ว่าจะทำไงเขาจึงจะจึงจะสิ้นความทุกอย่างนั้นน่ะเหมือนอันนี้เอ่อเคลียร์ของเก่าความรู้เก่า ที่มีอยู่ในใจแบบออกไปให้หมดก่อนนะคะเหมือนกับว่าลองลองฟังดูว่าไอ้ที่ผมกาลัเงเจอบอกเนี่ยมันพอจะทําให้เข้าใจอะไรขึ้นบ้างได้ไหมนะค่ะเหมือนเราเหมือนมันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราที่แท้จริงเนี่ยไม่มนะะีเหมือนตอนนี้ก่อนที่เราจะมาเกิดในร่างนี้เนี่ย เมื่อก่อนเป็นอะไรมาเรารู้ไหมคะก่อนที่เราจะมาเกิดชาตินี้เรารู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยก็มายึดเอาไอ้ร่างนี้เนี่ยความทางร่างกายทางจิตใจที่คิดที่พูดออกมาที่รู้สึกเนี่ยมาเป็นความรู้สึกของของเรา แต่ก่อนที่จะมาเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันเกิดจากาธาตุรู้ผสมกับสเติมของพ่อไข่ของแม่แล้วก็ประกอบกับาธาตุดินน้ำลมไฟถึงก่อให้เกิดมาเป็นร่างกายนี้เราที่แท้จริงคือาธาตุรู้ที่รู้ตามธรรมชาติไม่ใช่ความคิ ด, ดจิตใจที่เกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละชาตินี้เหมือนถ้าเราตายจากชาตินี้ไปอ่ะ ไปเกิดใหม่สมมุติไปเกิดใหม่เป็นงูก็ไปมีความคิดแบบงูไปเห็นงูก็ไปสมมุติเราเกิดเป็นงูตัวเมียเราไปเจองูตัวผู้เราก็เห็นว่างูตัวผู้สวยอ้งูตัวผู้หล่องูตัวผู้หล่อแล้วเราก็ไปยึดว่าเราเป็นงูเราก็ไปยึดว่าเราเป็นงูเราคิดอย่างงูสมมติเราหิวเราก็คิดว่าไอ้งูตัวเนี้ยเป็นเราหิวแล้วหิว แต่ทั้งๆ ท, ที่ตอนนี้เราเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ชอบงูนึก้าออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็เลยไปยึดเอาความคิดความรู้สึกของแต่ละชาติที่มาใหม่นั้นนะ่ะว่าเป็นเราแต่เราที่แท้จริงคือธาตุรู้ตามธรรมชาติที่เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแต่เขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาคิดก็ไม่ได้ เขาตึกตองก็ไม่ได้เขาชอบก็ไม่ได้ธาตุรู้อันเนี้ยเขาทำงานเหมือนกระจกเงาที่แม่ชีบอกอะค่ะแต่ขันหนะ้าน่ะมันเหมือนสิ่งที่สะท้อนกับกระจกเงาที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้อะเหมือนกระจกเงาแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปยึดเอาสิ่งเกิดดับเนี่ยที่ อยู่กับกระจกเงาสะท้อนกับกระจกเงานั้นน่ะว่าเป็นเราไปไหนเราก็บอกว่าไอเนี้ยเราเรานั่งสมาธิเราก็บอกว่าเราเราปวดก็เราเรากลัวก็เราเราคิดมากก็เราแต่เราแท้แท้จริงคือกระจกเงาที่มีหน้าที่แค่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์อาการใดๆก็ตาม เราที่แท้จริงคือกระจกเงาหรือธาตุรูน้นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ค่ะว่าเราชอบกลัวเราชอบกังวลเราชอบออมีความรู้สึกใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันเป็นกระจกเงาหรือมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกับกระจกเงานะคะอ๋อเขาผาออกาใช่ไหมคอ๋อ ก็สิ่งที่อะไรนะคะอีกรอบนึงเ อ, อ่อไอที่ค่ ะ, คะไอที่เราบอกว่าเรากลัวเราปา마สเรารู้สึกออไม่ดีเราขี้อะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะคะมันเป็นกระจกเงาหรือเป็นสิ่งที่สะท้อนกับกระจกเงาก็สิ่งที่สะท้อนแล้วสิ่งที่สะท้อนกับกระจกเงาเป็นเราไหมคะก็ไม่เป็นหมดเลยไม่เป็นเพราะนั้นตอนนี้ ต้นเหตุของทุกคือเรายึดผิดใช่ตัวค่ะประเด็นปัญหาตรงนี้ก่อนคือเพราะไปะยึดผิดตัวใช่ไม่กลับมาเป็นไม่ได้ไม่มีการกลับหรอกแต่ว่าไม่ได้เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติค่ะที่แท้จริงเราคือธาตุรู้นั้นค่ะแต่จะทํายังไงล่ะก็หลงผิดอย่างเงี้ยถึงเวียนเกิดเวียนตายมาตลอดกี่พกกี่ชาติก็เพราะว่าหลงไปยึด อีตัวที่ถูกกระจกเงาสะท้อนเนี่ยว่าเป็นเรามาทุกชาติจึงเวียนว่ายตายเกิดพูเจ้าท่างถึงให้มาสังเกตไงว่าไอ้ที่เราที่พูดได้เนี่ยที่รู้สึกบอกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวเนี่ยไม่ใช่เราเราที่แท้จริงคือกระจกเงา้ค่ะถึงต้องมีสติปัญญามาสังเกต ที่ไอ้ที่พูดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้ววางตัวที่พูดนี้เพราะเห็นว่าตัวที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราด้วยความเข้าใจแบบนี้ค่ะถึงจะปล่อยวางความทุกข์ทั้งหมดได้ uh huh. แล้วการปฏิบัติทำยังไงอาจจะอันนี้พอจะอาจจะเป็นปรับทิฐินิดหน่อยนะคะ ก็มีสติปัญญามาสังเกตเราที่ฟังอยู่ก็อตอนนี้กำลังคิดไหมคะค่ะครข้างในใค่ายควรไหมก็ไม่ไม่ค่อยไม่รู้ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่คิดตามนิดนึงแล้วแปบ๊บนึงก็ไม่ค่อยได้คิดแล้วอ่าค่ะปกติตามธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราทาอย่างนี้สมมติเราเห็นอะไรเนี่ยเราก็เอาตัวเราไปเห็นสิ่งนั้นค่ะสมมุติว่าเราชอบ ไปเห็นกระเป๋าเราก็โหเราชอบกระเป๋าสมมุติไปเห็นอาการของใจเช่นเห็นอาการของใจเช่นเอ่อความหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเราไปไม่ชอบความหงุดหงิดนึกภาพ อ, ออกไหมคะออกค่ะคือมีเราอ่ะอันนึงไว้ในใจเราอ่ะค่ะแล้วก็เอาเราเนี้ยไปชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้นอยากจะจัดการอันนั้นอยากจะเปลี่ยนอันนี้ ชอบก็เอาไว้ให้เราค่ะเหมือนบันบีเราอยู่ค่ะในใจอันนึงอ่ะใช่เข้าใจแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้มาเห็นอีนเราเนี้ยฮว่ามันไม่ใช่เราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติจะให้พ้นทุกข์ได้อ่ะมันไม่ใช่เอาเรานี้ไปจัดการอย่างอื่นไปจัดการให้มันไม่กลัวถ้าเอาเราไปจัดการให้มันไม่กลัวพอมัน กลัวเราก็ไม่ชอบค่ะพอมันไม่กลัวเราก็ค่ะดีใจก็ทําอยู่อย่างเงี้ยไล่อยากจะทําอยากจะเปลี่ยนอยากจะแปลงอยากจะจัดการอยู่แต่<ะ>ไอสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในแต่หารู้ไหมสิ่งที่เกิดข้างในมันพูดว่าเป็นเราไหมค ะ, ะอาการกลัวมันบอกไหมว่าฉันคือความกลัวฉันเป็นเธอมันพูดไหมคะอาการกลัวพูดไม่ได้อาการชอบใจไม่ชอบใจมันพูดไม่ได้ ไอ้ที่พูดได้คือเรา <Yeah. S 1> เรากลัวโหเรากลัวทาไงเรากลัวแล้วตอนนี้เรากลัวเรางงแล้วเราไม่เห็นเข้าใจสิ่งที่พูดได้นั้นอะ่ะคือตัวเราโดยสมมติ <Yeah. S 1> เพราะนั้นมีสติปัญญามาเห็นสังเกตตัวเราที่พูดอยู่ตลอดเวลาในหัวเราเนี่ยแล้วก็วางตัวนี้ซะทุกอย่างก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติเลย เดี๋ยวเหมือนจะยังงงอยู่นะคะไม่งงค่ะก็เข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจไงไหนเข้าใจไงที่ใบกับเข้าใจว่าเหมือนมีเหมือนคล้ายๆกับมีตัวรู้ที่รู้กับตัวตัวที่ดูอีกทีหนึ่งอ่ะเหมือน เราเป็นอันนี้แล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งที่มาดูความเป็นเราที่เป็นวันนี้อีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าดูว่าโมแต่ไปต่อว่าแบบเหมือนเราไปไปต่อว่าเราเป็นอะไรก็คือดูคือตัวเนี้ยหนูเคยเห็ น, นะค่ะพ่อแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบไปไปมมันวีอยู่ไม่นานคือแบบเหมือนจะแบบมีกําลังจะดูจนอย่างเนี้ยที่มันแบบตัวรู้ที่ดูตัวที่มันเป็นตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะมีแต่ไม่นาน ทำทำได้แป๊บๆทำไม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะทำออตลอดก็เป็นอารหาันไปแล้วอัน <laughs> <c oughs> อันนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยไหมคืเหมือนมันมันือนพลาดบ่อยอะค่ะวันนี้ที่ม า, ากราบหก็คือจะบอกเราจะมาถามว่าแบบจะทํายังไงให้เหมือนการปฏิบัติมันก้าวหน้าขึ้นอะคะ่ะคือหนูรู้สึกว่ามัน ยำตอกมาพักใหญ่แล้วคะ่ะโดยนาทีการงานด้วยความขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหอยค่ะไอ้เป็นใจที่เป็นกระจกเราสองหน้าค่ะทุกอาการที่ปรากฏให้กระจกเห็นน่ยไอ้ปล่อยวางไปให้หมดทุกขณะปัจจุบันค่ะส่วนใจเนี่ยเป็นเพียงกระจกที่แสดงกิริยาการไม่ได้ค่ะอันไหนที่มันแสดงกิริยาการได้แม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา มันก็เปลี่ยนเพียงที่สิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงาไม่ใช่เป็นใจเพราะใจเป็นเพียงกระจกเงาให้เป็นใจแต่อย่าไปเป็นสิ่งที่เป็นสังขารที่ที่ปรุงแต่งได้เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่หน้ากระจกเงาเราเอาความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเอามาเป็นใจหรือเป็นตัวเราจริงๆอันนี้ใจเนี่ยให้รู้ว่าใจเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันแปลงกิริยาการใดๆไม่ได้มันได้แต่มีความรู้เป็นเพียงกระจกเงา ไอ้ส่วนที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราทุกข์กระดาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่มาปรากฏหน้ากระจกเงาแค่นั้นเอง<ะ>เดี๋ยวมันกรดับไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไปรู้สึกกับคนอื่นอย่างอื่นต่อไป<ะ>อันอย่าไปยึดสิ่งที่มันเกิดเกิดดับดับสิ่งที่มันปรากฏให้กระจกเงาได้รับรู้อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราค<ะ>มันก็จะพบใจได้แวบๆแวบๆแวบๆก็จะหลงไปเป็นตัวปงแตง เดี๋ยวก็จะพบใจได้แวบๆคือใจที่ไม่ปรุงแต่งหลงว่าปรุงแต่งมันก็จะพบได้เป็นแวบๆแต่ถ้ามันพบได้ได้เคยพบแล้วต่อไปมันก็จะได้พบได้บ่อยๆพบบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็คือพยายามดูแบบนั้นเีงเหรอคะเอให้เป็นใจให้เป็นใจอย่าไปเป็นสิ่งปรุงแต่งให้เป็นใจที่รู้ให้เป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งอย่าไปเป็นสิ่งปรุงแต่งค่ะโดยปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งหมด แเราจะไม่เป็นสิ่งปรุงแต่งได้ก็ต้องปล่อยวางสังขารหรือความปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันไปค่ะแม้แต่ความปรุงแต่งเป็นตัวเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็เป็นสิ่งปรุงแต่งก็ต้องปล่อยวางไปทุกคิดทุกความรู้สึกคือแบบสมมติว่ามีอะไรเข้ามากระทบหูอย่างเงี้ยแล้วแบบขึ้นเลยเพราะเง A, ี้ยก็จะขึ้นบบยั ง, ยงไงก็เป็นสิ่งปรุงแต่งหน้าหน้ากระจกเอาแต่เราใจเนี่ยที่เป็นกระจกเอามันเข้าไปแทรกแซงได้ไหมไม่ได้ก็คือเหมือนกับเอาสติไปครอบดูเราที่เป็น โดนตัวนี้อีกทีหนึ่งงี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เป็นใจที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้เดยว่าเรารู้ว่ามีอะไรใจเป็นเพียงกระจกเงาแล้วรู้ว่ามี อ, อะไรมาเกิดขึ้นในใจค่ะแต่ใจไม่อาจไปแทรกแซงได้แต่โยมเนี่ยพยายามจะไปแทรกแซงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจได้ค่ะค่ะอันนี้คือให้ดูเฉยๆเหรอคะให้เป็นกระจกเงากระจกเงาไว้เป็นใจแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏอะไรในใจอ๋อค่ะ ทำว่าพอเป็นกระจกเงาปุ๊บ ก, ก็แปลว่ามันต้องอยู่ตรงข้ามกับเราูพอถูกต้องก็คือทุกทีเราจะอยู่ข้างๆเขาแบบว่าเธอเป็นอย่างนี้แต่อันนี้วันหลังเราก็ต้องทําว่าแกอยู่ตรงข้ามเราไม่ไ้อยู่ข้างๆกันใ ช, ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถ้าอยู่ตรงข้ามกันมันมันจะอยู่มีระยะห่างกันข้างๆกันมันติดกันเกิดไปแล้วมัน <laughs> เอา <laughs> ข้างๆคอมันติดกันเกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันก็แมันจะมาสิ่งเราอยู่รอดเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่กระจกเงามันก็พยายามจะรักษาตัวมาเองให้ให้อยู่ห่างสังขารอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่เพียงรับรู้สิ่งที่มาเกิดในมันปรากฏในมันค่ะแล้วสิ่งที่มาเกิดในมันปรากฏในมันก็ดับไปเราจะไปรักษากระจกเงาให้ถอยห่างออกไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะ ที่แต่ไม่เข้าไปยึดสิ่งที่มาปรากฏสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับไปค่ะสำหรับหนูก็แบบถ้าเป็นท่านถ้าปฏิบัติต่อไปคือให้ดูตรงนี้ให้มากขึ้นใ ช, ใช่ั้ยคะใช่แล้วมีส่วนอื่นอะไรกันไหมคะหลวงพ่อตรงนี้เนี่ยก็สุดยอดแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะเยวจะไปพยายามะคะ่ะมีไหมใครที่จนถึงวันนี้แล้วยังไม่เข้าใจจริงๆมีไหม ตัแต่ตั้งมาคืนด้วยแล้ก็มาถึงตอนนี้ด้วยมีไหมหนูฟังหรือผมฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงรี้ยมีไหมยังไม่รู้เรื่องเลยมีไหมเนี่ยเอาจริงๆถามจริงจะได้ช่วยกันอธิบายยกมืออ่ะไม่รู้เรื่องหมดเลยเหรอเนี่ยอ๋อมีไหมแล่วไอ้ใครยังไม่ได้เข้าไลาอ่อีเข้าซะ น, นะเพราะว่าไอ้แช่ ส่งใอ้ปลายเสียงที่เนี่ยที่สอนเนี่ยแม้แต่สอนที่นี่เขก็ส่งขึ้นทุกวันเลยตอนนี้จนไล่มาจนทันหมดเลยก็ตัดต่อตัดเร็วมากเลยท่านออดว่าออดแสนปาดท่านตัดเร็วมากเลยตัดส่งส่งส่งสง ส, ง ส, งส่งขึ้นมาจนทันปัจจุบันเลยอะ <c oughs> พวกเราเนี่ยมาถามตอบต้นตอบเนี่ยที่ถามตอบกับหลวตาเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยเ <c oughs> พราะว่ามีสมาชิกทั่วโลก เดี๋ยวก็เข้ามาเต็มเลยอครยังไม่เข้าไปเข้าซะนะเดี๋ยวมาขอปุ๊กก็ได้กลุ่มสี่ะไอ้ปุ๊กก็พาเข้าแล้วก็กลับไปก็ตั้งใจฟังตอนฟังไม่รู้เรื่องสักทีก็อธิษฐานล้างเข้าวไมถึงพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีที่เราทํามาแล้วเนี่ยเราไมเคยไปอธิษฐานอะไรไปตั้งจัดจะอะไรไปสาบานอะไรไว้ ไปตั้งความปรารถนาอะไรที่ปิดๆทําให้มันมาปิดกั้นมรรผลนิพพานในปัจจุบันเนี่ยก็ขอถอนคืนขอล้างคืนคําขอล้างคืนเสียทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วก็อธิษฐาเนเอาธรรมของพระเจ้ามาเข้าสู่ใจให้ใจเป็นธรรมทำเป็นใจของพระเจ้าโดยถาวรสิ้นเชิงตบัตินี้ได้เทินเพยียงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจอ่านซ้ําๆๆๆม่ช้ามันก็ถึงใจเนี่ยแล้วก็ติดตามให้เป็นแฟนพันธ์แท้ี่ยแฟนพันธ์แท้ให้เป็นแฟนพันธ์แ ท, แแท้ยิ้มคำเข้มาพูดหน่อย เออเดี๋มก็รู้เองไเดี๋มเข้าใจไงชัดเจนเองขยันเข้าอย่ามูที้เกียน